วิธีทำใจกับความตกต่ำของคนรักเก่าถามทำใจไม่ได้กับชีวิตแย่ๆของคนรักเก่าแม้เลิกกันนานแล้วก็ไม่สามารถตัดใจเมื่อเห็นเขาตกต่ำลงไปเรื่อยๆเคยพยายามพูดพยายามชักชวนให้เขามาสนใจธรรมะบ้างแต่เขาก็ผิดศีลหลายต่อหลายข้อมานาน เป็นความเคยชินที่เปลี่ยนแปลงยากตอนนี้เหมือนดิฉันตาสว่างและเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาตกอยู่ในความมืดเอาแต่คิดผิดผิดพูดผิดผิดและทำผิดผิดเพื่อความเดือดร้อนแต่เราบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังคำถามคือจะต้องฝึกคิดอย่างไรเพื่อให้ใจวางเขาลงได้ ลองนึกถึงโขดหินที่ชายหาดก้อนใหญ่ๆสักลูกคุณคงเห็นว่ามันหนักเกินกำลังถ้าขื่นพยายามไปยกหรือเข็นให้มันเคลื่อนที่คุณเองก็จะหนักเปล่าและโขดหินก็จะอยู่กับที่ของมันอย่างนั้นตามเดิมฝึกมองโขดหินเทียบกับกำลังกายของคุณบ่อยๆแล้วน้อมมาพิจารณาให้เห็นตามจริง ว่าวิบากมืดของคนบางคนก็ทำให้เขาตัวหนักจนเขียนยากเหมือนโคดหินถ้าเรายังคืนผลักดันก็อาจเปลืองแรงกายเปลืองแรงใจเล่าเปๆปรีบโดยที่เขาจะยังคงเป็นเขาปากหลักอยู่ตรงตำแหน่งเดิมที่เขานึกว่าดีแล้วเหมาะสมกับเขาแล้วเมื่อพิจารณาหลายครั้งจนพอ ก็จะเกิดอาการตาสว่างขึ้นเองคือคิดได้ว่ากรรมใครกรรมมันคนและสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนเองก่อถ้าเขามีบุญพอจะฟังคุณแล้วกลับตัวกลับใจอะไรๆก็ไม่ยากนักแต่หากบาปของเขาหนักนาสาหัสเกินกว่าจะรับฟังต่อให้พูดจนต้องอมยาแก้เจ็บคอวันละสองกระป๋อง เขาก็จะแค่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่อย่างนั้นกรรมจะสร้างพบให้กับจิตของแต่ละคนพบคือภาวะคือระดับของจิตคือสภาพแวดล้อมของโลกที่ต้องประสบพบผ่านแม้อยู่บนโลกใบเดียวกันแต่ก็ประสบกับเหตุการณ์ผิดแผกแตกต่างกันเช่นคนมีเงินเดือนเท่ากัน แต่บางคนเกิดปัญหาให้ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุจึงมีเงินเก็บผิดกันมีความกลัดกลุ้มไม่เท่ากันสืบดูพฤติกรรมแล้วโดยมากก็พบว่าคนพวกหนึ่งหลงมัวเมาอบายมุกเล่นพนันเที่ยวผู้หญิงเป็นประจำในขณะที่คนอีกพวกหนึ่งรู้จักเก็บออมห่างไกลจากอบายมุกถามว่าพวกเสเพลรู้บ้างไหม ว่าการพนันและการเที่ยวผู้หญิงเป็นเหตุให้ทรัพย์เสื่อมเขาจะตอบว่ารู้ก็ใช้เงินไปจะให้เงินเหลือเท่าเดิมได้อย่างไรเขาจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงอบายมุกม่ใช่แค่ทำให้ทรัพย์เสื่อมเพราะใช้ใจ่ายออกไปตรงๆแต่กระแสะอบายมุกเองจะลากจูงเหตุการณ์ร้ายๆหรือนาพาเขาไปประสบกับสถานการณ์แย่ๆที่หลีกเลี่ยงยาก พูดง่ายๆคืออบายามุกจะดึงดูดให้มัวเมาหลงเขาเข้าไปติดอยู่ในพบแห่งความเสื่อมทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหากคุณเคยเล่นพนันไม่สั่งหอนสักนิดว่าเล่นแล้วจะหมดตัวรู้สึกฮึกเหิมเชื่อมั่นแต่ว่าจะเล่นได้เสร็จแล้วผลออกมาคือกระเป๋าแห้งกลับบ้าน นั่นคือตัวอย่างของการถูกอบายามุขดึงดูดเข้าไปติดพบแห่งความเสื่อมเข้าแล้วยิ่งรู้สึกถอนตัวไม่ขึ้นยิ่งอยากแก้มือใหม่เท่าใดนั่นยิ่งสะท้อนให้เห็นยางเหนียวที่ยึดคุณติดกับพบแห่งความเสื่อมอย่างเต็มตัวหากจิตคุณอยู่คนละพบกับเขาจริงๆจะรู้สึกว่าไม่อาจสัมผัสกันได้ เยื่อใหญ่ความผูกพันเท่านั้นที่ยังโยงคุณให้ห่วงหาอาทรขอให้คิดว่าการที่คุณเห็นเขาตกตำ่ำแล้วช่วยพูดเตือนสติหรือพยายามทุกวิถีทางดึงเข้ามาสู่ทางกุศลก็นับว่ามีเมตตาหรือใจคิดปรารถนาดีตลอดจนมีความกรุณาคือลงมือช่วยเหลือแต่ก็ควรดีให้ครบถ้วนเพื่อตัวคุณเอง คือเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ต้องมีอุเบกขาคือวางเฉยด้วยการพิจารณาแล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการวางเฉยไม่เป็นถือว่ายังปรารถนาดีไม่พอคือไม่รู้จักปรารถนาดีกับตนเองคนอื่นเขาย่อยยับไม่พอต้องให้ตัวเองย่อยยับตามไปด้วยถึงจะสะใจหรือเลิกรู้สึกผิด วิธีที่จะวางเฉยคือต้องหัดถามตัวเองบ่อยๆว่าที่เขาได้รับผลอย่างนั้นเขาตกต่ำอย่างนั้นใครเป็นคนทำใครเป็นต้นเหตุใครเป็นคนรักษาเหตุแห่งความเสื่อมไว้ถามย้ำๆย้ำเขาไปจนกว่าใจจะยอมรับว่าไม่มีใครช่วยอุ้มใครได้เป็นขาเดินแทนใครไม่ได้อย่างมากที่สุดแค่ช่วยชี้ทาง เขาจะเห็นชอบว่าควรมาหรือไม่ต้องสุดแท้แต่เขามีบุญพอหรือยังที่จะมองเห็นประโยชน์โดยความเป็นประโยชน์และมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษครับ